หลายคนเลยแหละยังไม่เข้าใจเรื่องประกันเข้าใจว่าเราไปเอาเงินเขาแต่กลับกันนะวันนี้แอนไม่ได้ไปเอาเงินเขาเงินเขา่เขาบริษัทแอนได้ค่าคอมจากบริษัทและการที่เขาซื้อประกรัน